ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนีมนนนมนนน้มาพบกันเรื่องเรื่องราวของมโหสถวันก่อนนี้ได้มาจบลงตอนที่พระราชาสอบถามตามคติของอาจารย์ทั้งสีดด่ีจอไม่ทิยาจะหาว่าับมโหสถเป็นขบทให้ได้ด ในเรื่องก็มาหยุดลงที่โมโหสดจะพยายามสืบความลับว่าอาจารย์เท่าสี่คิดยังไงกับตนยอมลงทุนไปนั่งอยู่ใต้ถังข้าวที่บรรดาอาจารย์นัสี่ชอบปรึกษากันเพรามันเป็นความลับแล้วก็มันเป็นสถานที่ที่ไม่น่าสงสัยไม่ใช่เป็นห้องใบชุม เป็นที่โล่งๆไกลจาวประชาชนเดินไปเดินมาใครก็นั่งตาอากาศคุยกันเล่นเมื่อเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นแล้วก็สั่งคนที่ติดตามมาถ้าอาจารย์ทั้งสี่มาคุยกันแล้วขาเลิกคุยกันแล้วก็จงพากันมาช่วยยกทางข้าขอวออกให้โดยเมื่อสั่งเสร็จ คนที่ติดตามมาก็เดินเตร่ไปเที่ยวเล่นหา่างๆทำทีมันว่าไม่มีอะไรเกิดที่นั่นโอสุก็นั่งอยู่ในทางข้าวโดยการสงบบรรดาอาจารย์ทั้งสี่เมื่อโอสุกจับเป็นแล้วาอาจารย์เสนกจึงได้กราบทูลพระเจ้าวิทหรหาชว่าขอเดชะพรงองทรงเชีย่ยข้าพระบติแล้วได้อย่าง บัดนี้ความเป็นไปได้ปรากฏจะจริงตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวทวนไว้แล้วพระเจ้าวิเทหราชได้ทรงขดดับดังนั้นเ็าไม่ได้ส่งพิจารณาโดยทั่นทีส่งเชื่อคำยุยงของบัณฑิตท้งสี่เห็นไหมความจริงมโหาสถเขาสั่งไว้แล้วว่านิสสะมะกรนังเสยโย เวลาที่จะทําอะไรถ้าเป็นพระราชาต้องพินิษฐพิจารณาเสียก่อนแล้วจึงทําแต่ถ้าว่าไอ้ปากคนในโลกหลานที่รักมันเสี้ยมมันสอนมันโย่บ่อยๆดีไม่ดีแล้วก็หลงไหลฝ่ายฝันไปตามความคิดความเห็นของมันได้เหมือนกันเช่นั้นไปเจ้าวิเทยียราชเมื่อถูเจ้าบัณฑิตทั้งศีมันลวงไว้ก่อนแล้วตกลุกพลงัง ก็เลยคิดไม่ออกคิดว่าแห ม, มโมโหสดมันติดที่ต้องเป็นขบแนะ่เมื่อคั้นเชื่อคํายุยงของอาจารย์นาศีว่ามโหสดคิดทรยศเป็นแนะ่ยินี้จะถามก็อาจารย์เสียนก็อาจารย์เสียนกเวลา น, นี้เราจะทํำยังไงดีละ่ะโมโหสดที่มันไม่เฉล่นนะมันสมองมันไม่เฉล่นดีไม่ดีเราพังกันหมดนะ ถ้าหากว่าขืนปล่อยไปมันจะไม่เป็นเรื่องแต่ว่าการที่จะจับปิดตัวเขาสดมันก็ยากเราเป็นพระราชาอยู่่ไม่มีเหตุไม่มีผลจะสั่งลงโทษคนทังระหารชีวิตติดธุติตรรางนี่มันก็ลำบากเราจะควรจะเซธทำยังไงดีตอนนี้ท่านเซนนกได้ทีนี่กลาบพูดว่าขอเดชะ ฆ่าเสียเลยดีกว่าไม่ให้เขารู้ตัวก่อนสั่งฆ่าและเก็บเงียบการฆ่าฆ่าโดยการเก็บเงียบไม่ได้สั่งบริหารชีวิตถ้าส่งคนเข้าไปประชิดได้ท่าขาดเลยพระเจ้าวิเทหราชจนสดว่าท่านได้ทรงตรัสว่าท่านอาจารย์เสนกเราเห็นท่านคนเดียวเท่านั้นแหะที่มีความบังดีต่อเราตลอดมา นี่เป็นพระราชาหูเบานะมันใความมันต้องคิดเสียก่อนก็ไอคนสี่คนนี่มันทรายชนยังท่าไไปตกหลุมขี้ถูกเขากนหัวแล้วนุ่นทาตัวใส่ถูกเขามาให้พระราชายังไม่ไม่สลดใจไม่คิดถึงแต่เรื่องนี้มันก็เป็นกฎของกรรม่งของธรรมดา มันอดจะเผยไม่ได้ถ้าเป็นคนจินตนาว่าเราเห็นท่านคนเดียวที่มีความหมองดีกับเราตลอดเวลาคนอื่นเรามองไม่เห็นเราขอมอบภาระธุระนนี้ให้แก่ท่านท่านจงไปจาัด ก, การชักชวนสหายของท่านคอยอยู่ที่ประตูในประตูเมื่อมโหสถมาในเช้าจงตัดที่สาเสีย ได้ประแสงขันอันนี้แน่มอบพระขันญาสิทธิ์ไปเลยต่้งแล้วก็ส่งตระแสงขันญาสิทธิ์ให้แก่เสศให้แก่อาจารย์เสนนอกเสนนอกกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะจัดการตามพระราชประสงค์ทุกประการไปแล้วค่ะหลงกราบทูลแล้วก็ชวนอาจารย์ทั้งสามกราบถวายบังคมลาออกไป ตันนี้มาขนาดนั้นเป็นเวลากลางคืนพอถึงถังข้าวเวลากลางคืนนะเขาก็ไปปรึกษาหาเลยกันที่ถังข้าวใบใหญ่ที่เคยนั่งกันมาทุกคราวอังก็พากันก็ไปนั่งบนทังข้าวต่างก็ดีใจที่ได้กำจัดวัวโหสดให้คนไปเสียทีเห็นไหมลวกหลานที่รักไอ้คนดีๆเนี่ยคนเลวไม่คิดฆ่านะ และคนเลวเนี่ยมันไม่มจะมีกำลังมากมันจะมีพวกมากเราจะเห็นได้ ว, ว่าคนเลวเลวเนี่ยเย่อจะเยออกันอยู่เสมอเมื่อสมัยขั้ตัวเองก็ทำประเทศชาติแหลกลานแต่ถ้าว่าพอคนอื่นเขาทำดีเข า, าจริงเขาจังเข า, านั่งอิจฉาดุสยานินทาแบบนั้นนินทาแบบนี้พูดันไม่จบ แต่ไม่ได้มองดูตัวไอ้ตัวเวลาทำมันดีหรือเปล่าเข้าไปก็ตามหน้ากอบโกยทรัพย์สินเงินทองของชาติเรียกว่าปล้นคนทั้งประเทศแต่เรียกว่าเออไอ้โทษของตัวนี่มองไม่เห็นนะคนตัวนี้เป็นคนเลวคิดว่าเวลานี้เ็าบอกจะจัดจา ก, การกรรมขอมสดให้สบายๆให้มันพ้นไปสัทีไล่มันไปเดี๋ยวมันก็มาอีก เอาฆ่าตัดคอมสร็จพวกนี้สําเร็จอาจารย์เซนนกมนั่งบนถังเสร็จทั้งสี่คนเจ้าในเอ่ยกล่าวว่านี่ใครจะเป็นคนฆ่ามโหสถกันอาจารย์นสางก็ตอบว่าก็ท่านอาจารย์นั่นแหละเป็นคนฆ่า ม, ามันจะสมควรจริงจะสมควรเพราะว่าได้รับพระแสงอา ญ, ญาสิทธิ์มาแล้วอาจารย์เซนนกก็รับว่าตกลงตกลง ทรุ่งนี้ฉันจัดการเองเพราะเจ้ามาหอสเข้ามาตัวอะไรฟันขอพับให้ไข่กระดินไปเลยแล้วก็ถามอาจารย์นั่งถามว่าเรื่องที่ได้กราบทูลแก้ปัญหาเกี่ยวกับความลับควรเปิดเผยแก่ใครแต่แล้วคนก็ททษเลยว่าควรบอกแก่คนนั่นคนนั้นที่ทูลไปแล้วนะการที่ทูลไปเช่นนั้นก็เพราะ เกิดแก่ตนเองมาก่อนหรือว่าได้ยินได้ฟังมาจากใครก่อนนี่หมายความว่าเขาบอกความรับคนนั้นบอกควรบอกแก่พ่อแก่แม่เขาต้องควรบอกแก่ลูกคนบอกแก่เพื่อนไอ้ที่ทูลมาอย่างเนี้ความรับประเภทนี้เนี่ยเคยบอกกันมาก่อนหรือว่าเป็นการแ้งเสกสรรแกล้งกล้าแกล้งกลับทูลใด้ประชาราเพื่อจะได้ไว้วางใจตน อาจารย์นันสามก็ย้อนถามอาจารย์เซโนกว่าถ้าอาจารย์เคยทํามันแล้วหรือได้เห็นได้ฟังมันจะใครล่ะอาจารย์เซโนก็บอกว่าเราเป็นผู้ทําเองอาจารย์นัสามก็บอกว่าขออาจารย์โปรดเล่าให้ฟังที่มันเป็นยังไงอาจารย์เซโนก็คุยต่อไปว่าความรับที่เราจะเล่านี่นะ่ะ ถ้าพระราชาทรงทราบชีวิตของเราเขาดับแน่อาจารย์นั่น 3, งสามเพกล่าว่านี่อาจารย์ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเรามันพูกเดียวกันที่นี่มีแต่เราสามคนเท่านั้นสี่คนไม่มีคนอื่นจะมาล่วงรู้ความรับของพวกท่านอาจารย์พระอาจารย์ได้ฉะนั้นถ้าอาจารย์ไม่ไว้ใจเราอย่างไงเราร่วมเป็นร่วมตายกันนะ คราวนี้ถ้าจะพูดไปจริงๆกับมันเราคิดจะบทคิดเขาต่ราชาจะฆ่าคนที่พระราชาทรงไว้วางพระราชาดินไทยแล้วก็เป็นคนที่จะนาประเทศไปสู่ความเจริญแต่ละการเราทําข่าวคราวนี้มันเป็นการฆ่าคนทั้งชาติแต่ถ้าว่าไม่ไรเพื่อความเป็นใหญ่ของเราใครมันจะจิตหายวันไรยังก็ช่างมัน ขอให้เราได้ดีก็แล้วกันดีไม่ดีกำนัดเลือกภูไทยคำนี้ถ้าได้ท่านได้เป็นรัฐมนตรีเนะี่ยไอ้เงินเดือนเล็กน้อยไม่มีความสำคัญไอ้เงินกินเปล่าสิใครเขาจะมาให้อร่อยเซ็นอะไรแล้วก็คิดราคาร้อยล้านบาสองร้อยล้านบางสิบล้านมันยี่สิบล้านบางเซ็นวันวันนะับเป็นเงินเป็นล้านล้านเป็นสิบสิบล้าน แต่เงินเดือนไม่มีความสาคัญมันจะเสียหายยังไงช่างมันใช้ที่ผายไวโป่งยังไงช่างมันเรารวยกวแล้วกันนี่คนประเภทนี้ลูกหลานจงอย่าคบนะถ้าเรามีผู้แทนรัษฎรประเภทนี้เราไม่มีเลยดีกว่าแต่ห ว, ว่าบุคคลูนใดเขาเลือกไปเขาคิดว่าเขาจะเป็นตะเกียงผู้แทนรัษฎรเป็นตัวแทนปวงชนชาวไทย เข้าไปควบคุมรัฐบาลไม่ทําอะไรผิดพลาดเลยเถิดไปแล้วก็ช่วยรัฐบาลแก้ไขความสุขความทุกข์ของประชาชนให้ประชาชนทั้งชาติมีความสุขไม่คิดว่าจะไปเป็นรัฐมนตรีไม่คิดว่าจะเป็นเลขาธิการคิดอย่างเดียวเข้าไปให้ความคิดเห็นกับรัฐบาลและควบคุมกิจการงานรัฐบาลที่ทําไปแล้วคนประเภทนี้ควรเลอกเข้าไป ประเทศชาติของเราจะเจริญจะลืมว่าคนที่เข้าไปเป็นรัฐมนตรีถ้าไม่รู้งานของกระทรวงก็เหมือนกับในเถื่อนเข้าเมืองถูกต้นถูกตนเพราะไม่รู้กิจกายงานมาก่อนคุยเล่นต่อไปท่านเสนล็กเคาะทางข้าวแล้วพูดขึ้นลอยๆว่าโอ้โหสดแต่มันแอบอยู่ในทานนี้ว่นักกว่าก็ไม่รู้ อาจารย์นักสารยินตบ อ, อกว่าเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เราอาจารย์มโมสดเป็นคนเมายศคงไม่เข้าไปนั่งยนช้างข้าหลูนี้หรอกไอ้คนประเภทนี้มันบ้ายศเมายศไอ้ตัวเล็กนิดดีมีศักดิ์สิสูง ม, มันก็พอเยอะพอหยองยกย่องตอนเองเขามีสภาพไปต่างกันรับอะไรจิ้งกาได้ทอง หรือว่ามาแรงมแรงป่องที่มีเด็กไหนไปไหนก็ย่ชชูหาสแสดงเด็กไหนว่าฉันนี่เด่นจะ้ะไอในถางข้าหลงนี้ข้างนมันสยเสุขกปรกมันไม่ไม่มันน่าตรงนี้หรอกอาจารย์จะคิดมากไนเลยถ้าอาจารย์เสนอกินในบอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาละเราจะเล่าให้ฟังถ้าอาจารย์ทั้งสามเคยรู้จักหญิงแพทย์สยา คำว่ายิงพร่สัญญาเรียกันญิงหาตัวที่สมัยนี้ที่เขาอินโนะที่ชื่อว่าวันตีในเมืองนี้บังไหมอาจารย์และสามบอกว่ารู้จัก้็เคยย่องย่องแอไปผ่อนคลายอารมณ์กระเถอบเหมือนกันเนื่องโดยไอ้ที่บ้านเนี่ม่เก่าเต็มทีรสชาติมันก็ไม่ดีแล้วการสัมผัสก็ไม่เป็นเรื่อง อีหนูว่าสันติคนนี้ใหม่แต่มันเจ๋วจริงๆมันมีความเอลเอิบอิ่มมีความชุ่มชื่นไปส่งเคาะเธอบ่อยๆเหมือนกันอาจารย์เสซโนจินฐานต่อไปว่าเดี๋ยวนี้ว่าสันติยังอยู่หรือว่าว่าสันติหายไปไหนอาจารย์แดนาสามก็บอกว่าเอ๊ะโมนี้ย่องไปบ่อยๆแต่ไม่พบเลย ไม่รู้ว่าใครเอาไปที่ไหนนิ่เวลาเมามันขึ้นมาจะย่องไปหาเธอเรื่องความทุกข์คลายความเครียดแต่ไม่พบเธอเนี่ยมันชักยุ่งยุ่งสมองเหมือนกันสมองปนๆท่านเส้นกอาจารย์นี่ยนกลาวว่าจะพบได้ยังไงไอาจารย์เราได้ร่วมบรเวณีกับวสันติที่สวนต้นรังเสร็จแล้วเราก็ค่านาอเสีย เอเก็บเอาเครื่องบรรดับคนหนางเพราหอผพาไว้เดี๋ยวนี้ยังแขวนอยู่ที่ไม้ที่ทำเป็นเป็นเหมือนงาช่าในห้องเรียนของเราเพราะว่ายังไม่กล้าจะนำเอาไปใช้ทั้งเครื่องนั้นก็เป็นของเก่าเราได้นำความลับนี้ไปบอกแก่สหายคนหนึ่ง สหายคนนั้นก็ไม่ได้บอกใครเลยตั้งนี้แหละเราจึงควรบอกความลับแกสหายอาจารย์ภูกระสเรื่องของท่านหล่ะเปน็นยังไงนายต้องเล่าให้ฟังที่นี่เราเปิดเผยเรื่องของเราแล้วนะว่าเราก็มีความลับที่คนบอกบอกับสหายที่ดีอาจารย์ปู ก, กระสักเนี่ยกล่าวว่าข้าวเจ้าเป็นโลกเรื้อนที่ขา ข้าพเจ้าไม่เคยบอกใครให้รู้เลยนอกจากน้องชายข้าพเจ้าเท่านั้นฉะนั้นข้าพเจ้าเวลาที่ข้าพเจ้าชำระแผลทายาอาภาพันไว้ม่ชิดราชาเมื่อทรงพยาวยเคยบันทมที่ขาข้าพเจ้าบ่อยๆบัดนี้ถ้าทรงทราบว่าข้าพเจ้าเป็นโรคเร้อนชีวิตข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีแน่ พระวเจ้าณ จ, จึงเกรงกลาบูลว่าความลับคนเปิดเผยก็น้องชายเท่านั้นเพราะว่าไม่ทำให้บุคคลอื่นลงหรืรู้ต่อไปอีกถ้าอาจารย์เีนนกจีนีนถามถ้าอาจารย์กามินไหถ้าอาจารย์กามินไหมเี่ที่เธบอกว่าความลับคนบอกใครไขเนี่ยเรื่องราวมันเป็นยังไง้องเล่าให้ฟังที่ อาจารย์กามีนก็กล่าวว่าวันหนึ่งเป็นวันอโบสถแสนสิบ้าคำมียักษ์ชื่อว่านราเทพมาสิงเข้าไเจ้าเข้าไปเจ้าร้องเหมือนสุนัขบ้าเข้าไเจ้าบอกกระบรหมดก็รู้ว่าเข้าไเจ้าถูกยักษ์สิงจึงให้เป็นนอนในห้อง แล้วก็ปิดประตูแล้วหาดนตรีบวกระคมหน้าประตูเพื่อจะกรอบเสียงข้ า, าวเจ้าตัวเองนี่แหละข้าวเจ้าชิงคนต้องบอกว่าซึ่งเชื่อว่าความรับคนบอกกับความรับนั่นแก่ บ, บุตรเพราะไม่มีวันทีน่จะแพร่กระายไปให้คนอื่นได้ท่านอาจารย์เสียนกจึ ง, างถามท่าอาจารย์เทวินว่าถ้าอาจารย์ ที่ได้กราบทูลพระราชาไปอย่ญญางนั้นเรื่องราวไปยังไงทองเล่าฟังบางทีถ้าอาจารย์เทวินเจเนราห์เข้าไปเจ้ า, า, น, ญญญ า, า, า, านำแก้วมณีที่เป็นสิบางคนอันเป็นของโหลวมาขัดแล้วก็ลักแก้วมณีที่เป็นบงคลนั้นมอบให้แก่มารดามันดาปกปิดไม่ยอมให้ใครรู้เพราะถึงเวลาจะเข้าเฝ้าพระราชา มันดาก็นำแก้วมงคลมณีให้ข้าวเจ้าวมงคลมณีนี้เมื่อเพื่อไปอยู่กับใครก็ทําให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ผู้นั้นดังนั้นเมื่อข้าวเจ้าวไปพ่อพระราชาพระราชาจะได้โปรดแปลงข้าวิจาวเป็นบิเศษได้พระราชทานครั้งละแปดกระหาปณะบ้างสิบหกสิบหกกระหาปณะบ้าง บางครั้งกันได้ที่หกสิบสี่กษัรวันนะให้แกข้าพเจ้าทุกวันราชาทรงทราบอนุภาพของทรงทราบอนุภาพของมัณีมงคลนี้ข้าพเจ้าก็จะต้องตายแน่หมายความว่าถ้าพระราชาเนี่ยถ้ารู้ว่าข้าพเจ้าขโมยของนี่ไปข้าพเจ้าตายยังไม่ต้องสงสัย ในเหตุนี้ก็พระเจ้าจึงกล่าวว่าความรับนี่คนจะบอกกับมารดาแล้วก็บอกมาแล้วโดวยสเสร็จมันดาลูกหลานที่รักพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่านัตถิโลกเกลโลโหนามะขึ้นชื่อว่าความรับมันไม่มีในโลกมันดาจานงสีนี้แต่ละคนก็เป็นคนระยำเท่านั้น แต่ว่าข้างหน้าดีข้างหลังเสียข้างหน้าต่อหน้าประชาชนต่อหน้าประชาชนถ้ามันว่าฉันเป็นบัณฑิตแต่เนื้อแท้จริงๆความคิดของเจ้าหนุนนี่ก็ ค, คือผ่านตันดานหยาบทิ่ได้กล่าวว่าอาจารยหลวงปู่บอกแล้วไอ้เท่าทั้งสี่นั้นมันสารพัดพิ ษ, พษมันมีพิษทุกอย่างไม่ได้ได้เดเมทมันก็เอาเด็กกมันได้ไดมอนมันเอาเด้กกระถา เวลานี้มันมาเปิดความรับความจริงแล้วคนองสีนี้ก็เป็นโจรในพระราชสำนักนังนเองไม่ใช่เป็นคนดีมนไม่ได้มีความซื่อสัตย์สุจริตฉีนั้นเขามันาลูกหลานทุกคนการอย่าคบมิตรการจะรับฟังอนะไรใครเนี่ยอย่าเชื่อแต่วาจาที่ก็าขี้เหตุขี้ผลจงดูประวัติศาสตร์ของชาติไทยถ้าจะพ่อเมาองไทยนะ ว่าเราปกครองกันมาอย่างไงมันมีความสุขแต่เขาบอกว่ารัฐที่อื่นดีก็ไปดูยวนเขมรแล้วะลาวเวลานี้คนยวนคนเขมรกันลาวนะ่ยอยู่ไม่ได้หนีมาเมืองไทยบ้างหนีไปตามประเทศหนีไปญี่ปุ่นมีหลายราย้อยหลายพันคนที่เรือจมตายเพราะหนีทุกในประเทศตอนนี้ไอ้การป ก, ปกครองาแบบประเภททัดทานแบบนี้ เขาจะชี้เหตุชี้ผลว่าคนมันต้องเท่ากันจะจนเท่ากันจะรวยเท่ากันอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้คนมีกิเลสเอาฟังเรื่องราวก็งมโหสดต่อไปโมโหสดแอบอยู่ในทังข้าใบาใหญ่นั้นได้ยินถ้อยคำของอาจารย์ทั้งสี่โดยละเอียดี่ได้จดจำไว้จาด้วยแล้วก็จดด้วย เคยจำเฉยๆมันทิงจะลืมเพราะจดไม่ละเอียดอาจารย์น้องสี่ต่างฝ่ายต่างก็เปิดเผยความแล้วพ้องกันอะกันจนหมดสิ้นแล้วต่างก็ร้องเช้ากันบ้านนี่อย่าได้นำความลับอันนี้ไปแพร่พลาใครแบงร่งขาดนะแล้วก็เตือนเรื่องที่จะเข้าวเช้าจะเข้ามโหสถว่าอาจารย์เฮียลืมนะวันรุ่งนี้แต่ตอนเชา้า เมื่อต่างคนต่างไปที่พระเยทานทเรนาไปในเช้านะไปก่อนตัวโบา ม, ามโหสถจะเขามามะา้าไปเมื่อมโหสถจะผ่านประตูก็ปฟันคอชับเดียวตายเมื่อ ม, มโหสถตายใครจะจับเราเพราะพระแสงอาญาสิทธิ์มอบมาให้เราเรามีสิทธิ์จะฆ่าคนด้กอนกราบทูน แต่ว่านี่เป็นพระราชประสงค์ของพระราชาเรามีอำนาจเต็มทีใครเข้ามาขัดขวางฟันคอยขัดกระเด็นไปเองนี้ใหญ่แล้วเราข้าโมโหสดจนได้แล้วความยิ่งใหญ่จะมีแค่เราเมื่อต่างคนต่างเข้าใจกันดีแล้วก็ต่างคนต่างลากลับไปมาตอนนี้คนติดตามของโมโหสด แค่จาน์ละสีกลับไปแล้วจะได้ช่วยกันยกทังข้าวใบาใหญ่ให้มโหสถออกมามโหสถกลับมาถึงบ้านอาบน้ำแต่งตัวบริโภคอาหารเสร็จแล้วก่อนจะเข้า น, นอนได้สั่งคนเฝ้าประตูว่าถ้ามีคนมาจ่ากพระเ ว, วังมาหาเราให้รีบมาบอกโดยไว้พอสั่งเสร็จแล้วก็เข้า น, นอน คือถ้ารูห ล, ลานที่รักโดยการอย่างนี้บ้างก็นา่ากูจะนอนไม่หลับแต่ดูฟังเรื่องราวกับมโหสดต่อไปสำหรับพระเจ้าวิเทยรราชขณะที่ขา้ขาวันทมก็ทรงระลึกนึกถึงคุณของมโหสด ว, ว่ามโหสดบันฑิต ร, รับราชการมาตั้งแต่อายุถึงเจ็ดปี ไม่เคยทำความเสื่อมเสียกัเราแม้แต่ น, น้อยได้ทำได้ความเจริญรุ่งเรืองตลอดมาเมื่อครั้งเทว ด, ดาถามปัญหาถ้าเราไม่ได้โมโหสดเราก็คงตายวันนี้เรามอบเครือขันยาสิทธิ์ให้แกเสียนกไปข่า ว, วัวมโหสดเช้า ว, วันตอนเช้า ว, วันพรุ่งนี้เราหลงเชื่อถ้อยคำยุโยงข้ออาจารย์และศี เรามา่รู้สึกตัวว่าได้ทําสิ่งที่แย่ไม่ควรกระทาสิ่งที่ไม่สมควรเราไม่รู้จักคนขโมหขสดแต่วันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้าเห็นไหมวันพรุ่งนี้เราจะไม่ได้เห็นหน้าของสดอีกทรงลำพึงเดี่ยนี้แล้วก็เศร้าโศกจนพระเศธโทงเงินไร้สมกาย สำหรับพ่อนาวทมพรเทวีทอดพระเน์ทีนัการของพระสวามีอย่างนั้นจึงได้ดำริว่าเราได้ทําผิดอะไรหรือจึงทําให้พระราชสวามีทรงมรนทมไม่หลับเรื่อนอนเงื่อนไหลหรือว่าพระราชสวามีมีเรื่องราวคุณพระไทยอย่างไรเกิดขึ้นแก่พระองค์ดำริจันนี้แล้วยินกราบทูลถามว่า แต่พระราชาสวามีพระองค์ทรงมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นหรือพระเจ้าค่ะจึงดูเศร้าหมองไม่พอใสหรือว่าหม่อมฉันทำผิดอะไรให้ไปที่ไม่พอพระใจพระไทยของพระองค์พระเจ้าข่าเมื่พระเจ้าวิเทาราชได้ทรงตรัส ว, ว่าความในใจของเรามีอยู่น้องรัก แต่ว่าไม่ใช่เพราะเธอทำความผิดเราเองเป็นผู้คิดผิดแล่เราเป็นผู้ผิดเองพระนาวทมพรเนี่ยกลาทูลถามว่าพระองค์ทำผิดอะไรพะเยวค่ะพระราชาจึงได้ตรตตัดว่าเมื่อตอนกลางวันวันนี้เราสั่งมันดิตทั้งสี่คนให้ข้ามาโหสดในวันพรุ่นี้เช้าเพราะว่าบัณฑิตทั้งสี่ได้มาแจ้ง เรื่องมโหสถคิดขบถต่อเราเราเชื่อทันทีโดยไม่ได้สอบสวนขอ้อเท็จริงแต่ความคิดเรื่องนี้มันเลวจริงๆเราคิดถึงเรื่องนี้แล้วก็เลยไม่สบายใจเป็น้ว่าพระนาูธุมพรเทวีเขาทราบเรื่องเขาส่งโทรมนัดเสีย ใ, ใจด้วยความรักและควา ม, มสงสารมโหสถที่ยโสคาร พ น, นังนดำริอมบายได้อย่างหนึ่งคือว่าเมื่อพระราชาบัหลรบจะสรงข่าวไปให้มโโสถทราบเรื่องแล้วพ น, นางก็ทูลประลอบให้พระราชาบัรทรและสรงทรงบรรเทาความเศร้าโศกความกระวนกระวายพระไทยนี่สรงคิดอะไรให้มากเกินไปเมือ่อทรง กะว่าเมื่อทรงสั่งให้ประหารชีวิตพวกที่ร้ใจหมอสดก็เป็นการสมควรพระราชากระสมันทาวความมิตกของไปและเข้ามันทมหลับอรบันดาลโลกหลานที่รักในเมื่อพระราชาท่านหลับหลับไปแลรในคนหลับมันก็นอนฝันแล้วไม่ฝันเนี่ยหรวงปู่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน แต่จะฝันแล้วไม่ฝันก็ช่างแทนมองดูเวลามันก็หมดแล้วสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลแก่จงมีแดบรรดาลูกหลานที่รักรรรดาแต่พุทธศาสนิกชนทุกท่านผปรรับฟังสวัสดี